วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2537 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้อง 32 เป เอกสารต้นและเป็นเอกสารยื่นพื้นเพราะว่าเอกสารจุดที่ 32 นั้นเป็นเรื่องประเภทของจิตที่กล่าวไว้ๆฉะนั้นเอกสารชุดสะดวก แม่นยำในลําดับต่อๆไปไม่รู้จบนั้นว่าอกุศลจิต 12 มีอะไรบ้างแล้ว 8 ดวงหรือ 12 ดวงเรา ดงกนคอมเหล่านี้เป็นดวงกรมๆที่แทนจิตสรุปสรุปตาม 32 นี้ก่อน มีบางเป็นโลกิยะจิต 81 โลกุตระจิต 8 นั้นก็จึงได้ความว่าโลกุตระจิตนั้นมีเพียง 8 เป็นจิตน้อยจิต เราได้ยินคําว่าอกุศลจิต 12 หรืออเหตุกจิต 18 เรารู้สึกลําบากใจมั้ยพอนึกแยกแยกประเภทหรือเขียน ได้ตามสมควรด้วยก็แสดงว่าเราได้พื้นฐานได 24 ความหมายเราสามารถจะนึกออกได้หรือ ว่าอกุศล 72 นั้นประกอบด้วยโลภะมูลจิต 8 โทสะมูลจิต 2 โมหะมูลจิต 2 ที่มีโลภะเป็นมูลเรียกว่าโลภะมูลจิตจิตมีโทสะเป็นมูลเรียกว่าโทสะมูลจิตจิตมีโมหะเป็นมูลเรียกว่าโมหะมูลจิตที่เรียกว่ามูลเพราะว่าเป็นหลักของจิตเหล่านี้เป็นประธานของจิตเหล่า เป็นอาการสําคัญหรือเป็นความรู้สึกเปเปเป 8 ที่ 8 นั้นก็ประกอบด้วยส่วนพวก แรกคือมีจํานวน 4 เป็นโสมนัสที่ย่อด้วยคําว่าแล้วบวกหลังคืออุเบกขาโสมนัสคือความยินดีหรือดีใจเฉยเฉยคือไม่ไม่ได้มีความรู้ ก็ดีอุเบกขาก็ดีเราก็จะเห็นว่าแบ่งที่ ที่เรียกว่าวิปย่อว่าวิปนั้นหมายถึงทิฏฐิกตวิปยุตคือ สองดวงหลังของโสมมนัดดวงหลังของโสมนัสสองดวงหลังของอุเบกขาและที่สลับไปสลับ ปลุกเร้าหรือกระตุ้นเตือนย่อได้คําว่าอะคําว่าสะนั้นมาจากคําว่าๆทั้งโสมนัสทั้งยานัสเอ่อทั้ง สำเร็จเป็น 8 ด้วยอาการแยกแยะอย่างนี้ถ้าเราจะจําหลายๆคน คือนึกลําดับไม่ออกแต่ว่าทบทวนก็สามารถที่จะเข้าใจได้จําได้คือ ไม่ต้องถึงขนาดในจุดนี้ไปก็ได้ก็สามารถที่จะเรียนอภิธรรมชั้น ซึ่งมีโทสะเป็นเจ้าเรือนเป็น 2 ดวงแล้วก็เป็นอสังขาริกเกิดอีกดวงหนึ่งอีกอีกอย่างละดวงฮะอัน 2 อ่ะผมย้อน ไม่ได้แปลว่าโกรธเนี่ยไม่ได้ย่อมาจากจะเกิดพร้อมกับความรู้สึกเสียใจเท่านั้นเวลาคนโกรธเนี่ยจะ โดยกัสโสมนัสหรืออุเบกขาซึ่งเห็นโลภะเป็นความสุข ไม่ใช่โมหะในโลภะไม่ใช่โมหะในโทสะโมหะในโลภะโทสะนั้นก็แปรไปตามเวทนาของจิต 2 พวกนั้นโมหะสงสัย อุตตัจจะนั้นคือความฟุ้งซ่านมีอยู่ 2 อย่างนั้นโมหะที่ปรากฏคืออุตตัจจกุกุจจะนิพพานหรือวิกิจฉานิพพานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นนิพพานที่อยู่ เมื่อเทียบกับนิพพานอื่นที่เหลือมีกามฉันทะนิพพานเป็นต้นก็ เวลาเกิดโมหวิจิกิจฉาก็ไม่รู้สึกอะไรหมากนักอุทธัจจะก็ไม่รู้สึกอะไรมากนัก 18 อเหตุกจิต 18 นั้นเป็นจิตที่ไม่มีอกุศล จิตถ้าหากว่ามีอกุศลเป็นมูลก็เป็นเป็นมูลก็เป็นจิตงามเป็นโสภณจิตจิตที่ไม่ประกอบด้วยมูลทั้ง 2 พวกเรียกว่าอเหตุก ในกัมปียมกเนี่ยท่านแสดงเหตุด้วยจะเรียกได้เนี่ยในพิธัม ไสกับอ่าในแต่ละโอกาสต่างกันก็เสียท้องที่อย่างเราคิดว่ามูลเหตุนั้นความหมายอย่างไทยๆมันเข้ามาชิงเนี่ยมี <c oughs> อาเหตอกุศลวิบาก 7 นะแต่ 7 จริงๆไม่มีคําว่าเหตุกาลอะไรใส่เข้ามานั้นไม่มีมูลเท่านั้นคือไม่มีเหตุเท่านั้นซึ่งผิดกับกุศลวิบาก 8, 8 มีอย่าง ส่วนอาเหตุกวิบากจิต 8 ดวงนี้เช่นรูปาวจรกิริยาหรือมหาเป็นสาเหตุ 3 ดวงนี้เป็นกิริยาจิตไม่มีเหตุท่านจะเรียกนี้เมื่อพวกง่ายๆ 5 ดวงแรกมีชื่อเดียวกันเลยมีชื่อเดียวกันสภาพคล้ายกันยังกระแกะเลยทีเดียวต่างกันแต่ว่าที่มา ที่เป็นกุศลวิบากนั้นไปในอารมณ์ที่ดีที่มีคําวิญญาณมันเป็นวิญญาณนะเป็น 4 ดวงต้นของ 2 พวกเนี่ยทั้งกุศลนะอกุศลวิบากนะเป็นอุเบกขาเฉยดวงสุดนั้นอกุศลวิบากเป็นทุกข์กุศล แล้วก็ถ้าจะพูดถึงวิญญาณที่เรียกว่าหยาบที่สุดนะชัดเจนที่เนี่ยทางอื่นนั้นไม่ชัดเจน เป็นอุเบกขาเวทนาทั้งนั้นเราเว้นดวง 2 แถวนะอุคือเบกขา ในอารมณ์เหล่านั้นให้ชัดเจนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ กะที่แตกต่างคือต่างกันที่อารมณ์รับอารมณ์ดีอารมณ์ มีแค่อุเบกขาเท่านั้นก็จิตทั้ง 5 ดวงข้างหลังเนี่ยตั้งแต่สภาสัมปติจัณนะสันธินะซึ่งมี ดูแล้วมันถูกจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณนั่นจะเป็นตัวรู้สึกก่อนไป ถ้าอารมณ์กระทบทางมโนตวารมโนตวารารชนะซึ่งเป็นอุเบกขาเหมือนกันก็จะรับ กับละคนย่อมปรากฏไปจิตนี้แล้วก็ตัวจิตไม่ปรากฏก็จริงแต่ โดยชื่อโดยลำดับโดยก็ประกอบด้วยแปดอย่างนี้แล้วเหมือนกันจึงใช้ 2 4 ดวง อมอ znajial agg simulmach Propakrat i pergayama anيد liprodukna di Gimodo bien human i un li Rapid i serái mandi d ph Robin Bagat Justice T snow Mazk tu Fung padding and 93rd tery buquing. alors l'ad Licht S hip sa digczyć bway a여 such a big anvilmachこの judayour issue. yo la flage attire ba la าน, ว, 8 จึงเป็นของพระหลานเมื่อเป็นพระหลานแล้ว 8 5 ก็ประกอบด้วยปปนี้คือปฐมปกุคือปฐมฌานกุศลทุกุคือทุติยฌานกุศลตติกุ 1 ฌาน 2 ฌาน 3 4 ฌาน 5 ตัวเลขที่ใส่ 5 มา 2 แต่ 2 ก็มีอยู่ 2 ช่อง 2 ดง กุศลชั้นต่ำมีองค์ประกอบน้อยคืนการคืนคลายของกุศล โดยการเลื่อนฌานเมื่อเลื่อนฌานไม่ได้เกิดจาก ฌานกุศลได้ฌานกุศลเกิดกุศลฌานย่อมเกิดขึ้นจากการก็ โอไม่ใช่พระอรหันต์เข้าฌานเป็นกุศลผู้เป็นอรหันต์เข้าฌานเป็นกิริยาคือพระ วิบากรูปาวจรวิบากเนี่ยเป็นวิบากของกุศลไม่ใช่ 12 ก็แบ่งเป็นกุศล 12 นั้นโดยลําดับว่า 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4, <S 2. S 2> 4. ก็มี คือหมายถึงในภาษาบิดกในภาษาบิดกเนี่ยเวลาเรียกรูปอาจารย์ 1 ซึ่งมี 2 ทั้ง <ม. S> 1 ก็ 2 2 ก็ 2 3 ก็ 2 4 ก็ 2 เพราะ 4 นั้น เป็นกิ่งหนึ่งของจตุจฉานหรือปัญญมฌานนั่น 4 ขั้นไปตามอารมณ์ว่าอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌาน เขียนว่าออเขียนว่าวินเขียนว่ากินเขียนว่าเนทั้ง 4 ดวงนี้เรียกว่าเรียกไปตามอารมณ์รูปาวจร ทำตามอารมณ์นี้ไปทําอันด้วยอารมณ์อื่นไม่ได้อรูปฌานเนี่ยบางทีต้องทํา ที่ท่านเรียกว่ารูปฌานที่เพ่งอากาศหรือเพ่งอาโลกาเป็นอารมณ์ถือว่าเป็นรูปชนิดหนึ่งอรูปฌานต้อง เป็นรูปอ่ะที่เป็นรูปฌานหรือรูปฌานตอบว่าการเพ่งดูนามธรรมเนี่ยนามธรรมผมหมายถึงนามธรรมอื่นที่คนนั้นยังไม่เคยเป เช่นละเจริญเพ่งจิตของเราเองจิตที่เป็นกุศลแล้วก็เพ่งจนกระทั่งจิตสงบ นักคนที่จะเพ่งอรูปฌานนั้นต้องเอารูปฌาน สอนธรรมสมาธิถึงอรูปฌานแล้วก็กล่าวว่าแม้ผู้พูดเองก็ไม่ได้สอนถึงอันนั้นยังไม่เคยสอนถึงอรูปฌานแต่ที่นี่สอนถึงอรูปฌานแล้วก็ถามว่าสอนอย่างเนี่ยในทางหลัก โลกุตตรจิตเป็นจิตที่เรียนง่ายกว่าเพื่อนคือมรรคจิต 4 ผลจิต 4 ส่วนมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคผลจิตก็คือ 8 จิตพ้นโลกแล้วเรา อโสภณจิต 30 จิตที่ไม่มีโสภณธรรมประกอบที่อย่างที่ผมอธิบายกล่าวที่แล้วแล้วมี 59, 59 ดวงแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นกามจิตเดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นกามส่วนหนึ่ง ก็กําหนดตั้งแต่อกุศลจิต 12 ไอ 278 จนถึงกามาวจรโสภณจิต 24 รวม 35 ดวง แนบแน่นคือแนบแน่นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะต้อง 28 ก่อน เหตุ 328 นั้นเป็นแผนผังของอกุศลจิต 12 ที่กล่าวจําแนก 12 อกุศล 12 มีอะไร แล้วโมทโลภะมูลมีอะไรบ้างก็เป็นโสมนัสจะเป็น ก็ถือเอาการกระตุ้นกระตุ้นด้วยคนอื่นก็ตามด้วยตัวเองก็ตามเป็นข้อกําหนดเมื่อนี้ได้อธิบายไปรายละเอียดมา อันนี้เป็นความรู้สึกเสียใจโทมนัสไม่ใช่ความโกรธเป็นความรู้สึกเสียใจปฏิฆะนั้นเป็นอีกชื่อหนึ่งของความโกรธที่ว่า ย่อมไม่ไม่ไม่หนีไปจากความเบียดใจความไม่สบายใจอ่ะต้อง คือถ้าพูดอย่างเป็นปฐตาธรรมเรียกว่าอโหสิกไม่ใช่คำว่าเสียใจเวลาเราไปล่วงเกินใครเค้าฝรั่งว่าเสียใจ ต่อไปโมหานะโมหะนะก็จะเห็นๆตรงนี้นะครับผม 8 เนี่ยไม่ใช่ <c oughs> 12 ที่ <c oughs> ก็เฉพาะโลภะมูลจิต 12 เนี่ยที่มีเครื่องรองมีเครื่องรองคือความสุขก็ <c oughs> <c oughs> เร 8 ดวงสุโภ 8 อัปปาทานโทษ 4 ไม่ 8 นะเราก็ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ถ้าเราก็ติดอุเบกขาล่ะเราติดมั้ยความโลภเวลาเฉยเนี่ยฮะติดความยึดติด ถ้าถามว่าโลภะๆเนี่ยและเป็นอย่างไรเคยเห็นมั้ยและเป็นอย่างไรใครที่ได้ติดตามได้ว่าโลภะโสมนัส ได้เถิดได้ก็รู้สึกว่ายังยังละไม่ได้เลิกไม่ได้ยัง ได้รู้สึกว่าจะจะต้องดูควรเป็นโลภะสมณัตในที่ จริงโลภใจมั้ยนี่แล้วก็สังเกตอันนี้เนี่ยมันมีอยู่ 2 กลุ่ม 2 ประเภทคือโลภะอุเบกขาดังเฉยๆ แต่เพราะว่าเฉเฉยอย่างขาดสติรู้สึกตัวด้วยอํานาจของความและเป็นโมหะจึงเป็นอกุศลเกิดขึ้นกับเราอยู่โดยมากที อกุศลที่เป็นโทมนัสเป็นความไม่น่าชอบใจมีอยู่ 2 ดวงคือโทสะก็คือความหลายหลายอย่างได้กันครับคนร้อง หรือคนรู้สึกผิดใจก็อย่างหนึ่งหรือคน คำว่าสังขารตรงนี้หมายถึงสังขารคือการกระตุ้นให้ว่าอกุศล 72 นั้นพวก 1 เกิดเองไม่มีเค้าเรียกว่าไม่ 1 เกิด ไอ้พวกหนึ่งท่านว่าพ้นจากความเป็นสัสสังขันอสังขารในในจิตเป็นหรือควรจะไม่เป็นยังไงนะบางมติก็เป็น คือไม่เป็นหนังหวังอย่างนี้พ้นไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเองแล้วก็มันก็ไม่คือ โลภะ 4 แล้วก็โทสะอีก 1 อกุศลอสังขาริกมี 5 อกุศลอีก 5 ก็คือโลภะกับโทสะแบ่งคน 2 ดวงคือ อกุศลจิต 12 โดยโยคะโยคะหมายถึงสัมปยุตต์นั่นเองครับ ที่ทำที่เป็นประธานนี้ประกอบร่วมกับสภาวะธรรม เป็นปฏิฆะสองดวง 2 ดวง 2 ของดวงก็เลยเป็นนั้นว่าครับโมหะดวงหนึ่งเป็นวิจิกิจฉา ส่วนโลภะนั้นครึ่งหนึ่งเป็นโยคะเป็นอมยุตต์นั่นเองแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นวิปยอกวิปยุตหรือวิปยอกค่ะ 12 เมื่อแสดง ก็จะพบว่าผลจิต 12 นั้นที่เป็นเอกเหตุคือ 1 คือโมหะมูลจิต 2 ก็ว่าในโมหะมูลจิตนั้นมีโมหะเจตสิกเป็นเหตุ <c oughs> ส่วนโลภะมูลจิต 8 กระโทสะมูลจิต 2 นั้นเป็น โดยสภาวะธรรมแล้วมูลจิตมีโทสะออกหน้าแต่ก็ 2 หรือ 2 ด้วยอํานาจ 29 ก็จะเป็นการแจกอเหตุกจิต 18 โดยประการต่างๆการได้ยิน 29 นั้นอเหตุกจิตเป็นการทวนเบื้องต้น มีอยู่ 2 ชาติเนี่ยคือวิบากกับกิริยาที่เป็นวิบากนั้นก็อกุศลวิบากกับกุศลนิบาก มีอยู่ 2 มีอยู่ 2 ชาตินั่นเองคือวิบากชาติกับสำหรับอกุศลนิบากมีอะไรบ้างมี 7 ดวง ก็มีอยู่ 8 ดวงดังที่เราได้กล่าวทวนกัน 3 ดวงในเรียกเป็นกิริยาชาติที่เป็นอาการตักแต่ว่าเกิด ย่อมไม่ใช่สามชาติ 2 ชาตินะไม่ใช่ 3 ชาติชาติคือ 4 ชาติกุศลนิบาตกิริยาต่อ 18 เป็นโสมนัสสเวทนา 2 ดวงเท่า 1 เป็น 1 โสมนัสเวทนากับสุขเวทนาเนี่ยถ้ากล่าวไม่แยกก็เป็นสุขเวทนาแต่เมื่อกล่าวแยกแยก เมื่อกล่าวแยกโสมนัสจึงหมายถึงจิตเหล่านี้เกิดทางมโนเกิดทาง สำหรับสุขเวทนาเราดูตัวนี้ก่อนก็คืออเหตุกะ คือกายวิญญาณที่เกิดขึ้นจากอกุศลเก่าที่ 4 18 เนี่ย 4 ที่ออกไป 4 ก็คือที่เป็นโสมนัสทุกข์เป็นสุขออกไป 4 ที่เหลือนอกนั้นอีก 14 ทั้งทั้งหมดเลยสัมปติจนะจิตทั้งหมดทั้งกุศลด้วยสันติลนะฝ่ายกุศลดวงหนึ่งฝ่ายอกุศลที่ นะเวลาเค้าเรียกยักเยื้องในชั้นหลังๆว่าอุเบกขาสันติลนะ 2 โสมนัสสันติลนะมี 1 หรือบางทีบอกเนี่ยเราก็ต้องนึกใช้ได้ 18 เนี่ย เวลาสงเคราะห์ว่าเป็นสัมปยุตต์หรือวิปยุตต์หรือเป็นอสังคาลิกสังคาลิกท่านก็ถือว่าทั้ง แล้วก็ไม่ระบุอ่าอเหตุกจิตทั้ง 18 นี้เป็นวิปปยุตเป็นวิปปยุตนี่ก็หมายถึง ในชั้นหลังนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ครูในการที่จะท่านจึงท่านสงเคราะห์ว่าเป็นอสังฆาริกเพราะเกิดขึ้นเอง 30 โดยชุดที่ 30 ชุด 30 เป็นเรื่องของอ่าชุดที่ 30 นั้นอ่า 2 หน้านะฮะแต่ในนี้จริงๆมี 2 หน้าไม่ทราบ อันนี้เดี๋ยวก็แสดงว่าขาดไปยัง 30 มาเราดูหน้าแรกว่ากามาวจรโสภณจิตคือ ไม่ใช่ฝ่ายอัปปนาฝ่ายชานฝ่ายลกตระแล้วก็ดูโดยลําดับว่ากามัชฌอนโสภณจิตนั้นเป็นมหกุศลมหาวิบากมหกิจญาแล้วก็ได้แบ่ง แล้วก็แบ่งเป็นญาณวิปยุตต์คือประกอบด้วยปัญญาก็ไม่แม้โสมนัสที่ <numa> อุเบกขาก็เช่นเดียวกันครับญาณลมยุต กามาวจรโสภณจิตที่เป็นโสมนัสมี 12 อย่าลืมมกามาจารย์โสภนะรวม 12 นี่โดยเวทนาที่ ใครที่เกิดด้วยมหาวิบากโสมนัสเพราะขณะนั้นก็ถือว่ามหาวิบากของบุคคลนั้นเป็นโสมนัส หรือถ้าเป็นพระอรหันต์เกิดหมากิริยาโสมนัสก็บางครั้งก็ ทำไมจึงไม่ก่อให้เกิดจิตตจรูปคือการยินก็กล่าวว่ามหาวิบากโสมนัสไม่ว่า ในจิตที่อำนาจกรรมสร้างมาอย่างตายด้านมันยังเป็นพืช ขอให้ดูในหน้าต่อไปในหน้าต่อไปแสดงกามาวจรโสภณจิตโดยสังขารแสดงโดยสังขารนั้น กระตุ้นให้เกิดหรือกระตุ้นให้หลับเพราะมันมันสําเร็จมาจากกรรมแล้วกรรมเป็นอย่างไรมันก็สร้าง ถัดต่อมาครับแสดงกามาวจรจิตโดยสัมปยุตอันนี้ก็ยกเอาปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่อง มาเรียบออกมาทํางานคราวนี้ก็ดูประเด็นสุดท้ายของกามาจารย์โสภณจิตโดยนี้แสดงโดยตัมมยุตตเหตุตัมมยุตตเหตุก็คือโดยแล้วเค้าเรียกสัมปยุตตเหตุก็เหตุ แต่ในที่นี้ท่านต้องการจะระบุว่าหมายถึงเหตุมหาอกามะอจารย์โสภนะจิตที่เป็น มีอโลภะกับอาโทสะเป็นเหตุประกอบแต่ไม่มีปัญญา 3 คือมหากุศลมาวิบากมากิริยาที่เป็นญาณน่ะ หาอันนี้ก็เป็นการ<ด> 31 ชุด 31 แสดงรูปาวจรจิตเป 15 อันนี้มาก่อนนี้มาก่อนก็ประกอบด้วยรูปาจารย์กุศลรูปาจารย์อิบากรูปาจารย์กิริยาก็จะแสดงโดยเวทนาโดยชาติและโดยเหตุ 4 เป็น เรียบบู่ในองค์ฌานว่าสุขนั่นแหละปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปิติเป็นโสมนัสสเวทนาในจิต นี่เป็นการแบ่งโดยเวทนาเมื่อแบ่งโดยชาติได้ความว่าอรูปฌาน 3 ชาติกุศลชาติ รูปาวจรจิตทรงเคลาะโดยอย่างอันนี้ไม่ได้ระบุนี่ก็มีหมายเหตุว่าจิตทั้ง 15 ดวง อย่างคนที่ทําอยู่ในขั้นของบริกรรมบริกรรมนี้ยังอ่าเคยเมื่อ <c oughs> <c oughs> ไปปฏิบัติวิปัสสนาเสร็จแล้วก็เกิดความครอบแคลนขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าการมาทํา <c oughs> พอขนาดคิดยังมันก็จะออกเลยนี่มาคิดนะการฟังกับการ แต่วิธีการทําญาณ 1 แตคือการเจริญภาวนา มันมันอุดหนุนอย่างนี้ตัวภาวนาเนี่ยตัวมัน เราอย่าไปตำหนิฌานว่าไม่มีปัญญาเพราะว่าฌานหรือมรรคเนี่ยแบบเดียวกันถึงจุดรู้ ฌานก็เหมือนกันเมื่อทําบริกรรมก็คิดมากเตรียมการมาก ผู้ภาวนาอย่างยอดเยี่ยมนั้นจะรู้ลักษณะอย่าง ประชาชนบ้างทีนี้เมื่อแบ่งโดยเมื่อกล่าวโดยสังสังขารปรากฏว่าโดยความเป็นสะสังขาริกคือมีเครื่องกระตุ้นแล้วก็การอธิบายว่าก็มีมีอุปจาระสมาธิเอาง่ายๆเนี่ยเป็นเครื่องกระตุ้น อันนี้เป็นเรื่องของการหลงกรอกของใน สมแข็งหรือไม่เข้มแข็งก็เป็นเรื่องเรื่อง 12 เป็น อรูปาจารย์นั่นเองและอรูปาจารย์จิตก็มี 12 ได้แก่กุศลและจิต 4 รูปาจารย์ โดยเวทนานั้นเป็นอุเบกขาเวทนาทั้งสิ้นล้วนๆนี่ก็คือ อากาศานัญจาตนะเพ่งอากาศอากาศอากาศแปลว่าที่ว่างที่ว่างจากสมมุติที่ยกองค์ภินท์คือองค์ภินท์ซึ่งเป็นดวงภินท์สมมุติความ เนวะสัญญานาสัญญาญาตนะอทนโทนะอากิญญาญาตนะนี่เพ่งอ่ะเพียงความไม่มีคือฌานที่ อากาศอากินนั้นเพ่งความไม่มีเพ่งอากาศอากินนั้นเพ่งความดวงฌานที่ 1 อา วิญญาณเนวาก็เพ่งอากิณอีกทีใน 3 ชาติ 12 เนี่ยรูปชาติเหลือ 8 โดยย่อก็คือมรรค 4 ผล 4 รวมเป็น 8 โลกตระจิต 8 เป็นว่าโดยประเภทที่เท่าว่าโดยโดยเอาอันนี้ก่อนนะเอา คือยอดเยี่ยมหมายถึงอ่าปัญญาเราแบ่งเป็นสุตะจินตาภาวนานี่ยังแบ่งยังถือ กระตุ้นเป็นตัวให้โอกาสเป็นตัวให้โอกาสทําให้เกิดที่เห็นนิพพานถึงครั้งแรกให้ คืออบรมทําให้เกิดวิปัสสนาญาณก่อนแล้วจึงบรรลุมรรคและเอ่อโดยเหตุนะเป็นติเหตุกะคือประกอบด้วยเหตุ 3 อโลภะทะสะอโมหะทั้ง 3 เหตุนั้นมีอยู่ถ้าถามว่าโลกุตตระจิต 8 เป็นโสมนัสหรือเป็นอุเบกขา แลบรรลุมรรคผลจากวิปัสสนาล้วนเป็นสุขวิปัสสกหมดอ่ะ 1 ถึงที่ 4 โลกุตระนั้นก็ เป็นสมณัตถ้าใครบรรลุมรรค 4 ผล 4 5 ก็เป็นอุเบกขาเอโนเบกาฟังทันฮะโลกุตตระจิต มีเกิดขึ้น 3 บททรงเกิดขึ้นในมรรคนั้นผลนั้นแต่ถ้าว่า อนุโลมไปตามฌานนี่ก็เป็นอันว่าผมสรุปเป็นรูปแผน การอธิบายเจตสิกปรมัตถ์ที่นี้ก็จะแสดงเรื่องสัมปโยคะด้วยสัมปโยคาสังหะคือการสงเคราะห์จิตกับเจตสิกประกอบกันแล้วเมื่อพูดโดยย่อไม่ได้พูดถึงตรงนี้ว่าจิตดวงใดเกิดขึ้นมีเนี่ยและ แล้วก็เป็นประโยชน์แก่การการทําวิปัสสนาโดยเฉพาะคนทําจิตตานุปัสสนาเนี่ยก็จะช่วยได้อย่างอย่าง สัปฤ째 6 แล้วก็งานเล 3 เลยให้เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ได้ทํา แต่ทําไปทํามาก็ก็ยืด 30 ตุลาคมแต่อายุฮะเริ่มอะไรนะก็เป็นปี 2 นะ ไม่ใช่ 1 2 6 เนี่ยเรียนง่ายถือเป็นเรื่องหลักๆแล้วจะต้องพยายามจําเนี่ยตอนเนี้ยพยายามเขียนเป็นวงๆแล้ว ก็ถ้าก็จะทําให้การคุณสมบัติการความพร้อม <c oughs> บางตอนหลังมาชอบพระสูตรมากกว่าบางคนก็ตอนแรกชอบพระสูตรมากกว่าทีแรกชอบพระภิกขุธรรมมากตอนหลังมาชอบพระสูตร มากกว่าข้อมากเท่าไหร่จริงนี่ถ้าว่าเรารู้ข้อเท็จจริงมากเท่าไหร่และเรียนรู้ อภิธรรมเป็นหลักกลางสุดกับพระวินัยเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะทํา ถึงเวลาเลิกไปเลยบ้างหรือยังเลิกไปเลยได้มั้ยครับ ยิ่งมาเรียนตอนกลางๆชีวิตนี่ยิ่งเหลือและอันการประพฤติธรรมก็พูดไม่เราเป็นบาเป็นกิริตของเรามันไม่ใช่แค่จะต้องเรียนกัน เราจะไปทําอะไรอ่ะจะไปทําอะไรดีมานั่งนับแล้วก็ไม่ๆไม่เบื่อกรมนากรมตาศึกษาธรรมะยัง ก้าวลึกเข้าไปเข้าๆเรา